พระราชาในความที่คิดถึงลูกมากนะก็เลยไม่สนใจเรื่องอื่นว่าลูกจะบวชหรือไม่บวชก็ตามทีแต่ลูกต้องนําโอรสมาสแสดงแก่พ่อเออท่านไปแล้วท่านจะบวชไม่บวชก็ช่างเหอะไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่สําคัญที่สุดเนี่ยนะก็คือนําเจ้าชายศิริษฐศักดิ์ลับมาอุทายีอามาตก็รับพระดํารัสแล้วก็ใส่ไว้ด้วยกล้าวก็นําข่าวของพระราชาไปจนถึงกรุงราชครื่ฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาก็บรรลุเป็นพระาหารหัสพร้อมด้วยบุตรพันหนึ่ง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 ฤดูร้อนก็เข้ามานี่ราวป่าก็มีดอกไม้บานสะพรั่งหนทางก็เหมาะที่จะเดินเป็นกาลสมควรที่พระทศพลจะทรงทําการสงเคราะห์พระไปยุระยะเนี่ยนะเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาตั้งหปีแล้วเป็นสมัยครูที่ควรจะไปสงเคราะห์ญาติได้แล้วคั้นคิดอย่างนี้เสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพันน า, นาคุณของการเสด็จพุทธดําเนินเพื่อเข้าไปยังพระนคร แห่งสกุลด้วยคาถาประมาณ60สขาถาก็เพราะว่าสถานที่เนี่ยจากเมืองราชครึกไปเมืองกบิลพัฒน์เนี่ยก็ห่างกันประมาณ60โยธ60โยธก็เดินทางวัลยโยธวัลยโยธก็ต้องใช้เวลาประมาณกี่เดือน2เดือนเนี่ยนะนี่ก็สรรเสริญหนทางว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้ต้นไม้ทั้งหลายสลัดใบมีแต่ลำต้นเตรียมจะติดช่อติดผลต้นไม้เหล่านั้นส่องประกายสว่าง ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าเป็นสมัยสมควรสําหรับพระอังคีรัสะแล้วพระเจ้าค่าอันนี้สรรเสริญอะไรสรนเสริญเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าป่าเขาเนี่ยนะไอการพูดถึงต้นไม้ใบหญ้าป่าเขาเป็นต้นเนี่ยพูดเพื่อลักษณะคนที่เนคข ม, มัธยาสายวิเวกัตยาสายพอฟังเรื่องต้นไม้ไ้จะชอบฟังว่าจะได้ไปเดินอยู่ในหมู่เมฆไม้หมู่ป่าไม้ข้างถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวโฉมเนี่ยนะ แล้วก็พูดถึงการเดินทางในในในสถานที่ต้นไม้แบบนั้นมีความสุขมากเลยนะอย่างพระพุทธเจ้าก็มีอัธยาศัยชอบป่าอยู่แล้วใช่ถ้าจะชวนพระพุทธเจ้าเสด็จไปกระ บ, บินละพัฒน์นี่ต้องชมเรื่องป่าอย่าไปชมเรื่องเมืองถ้าชมเรื่องเมืองอาจจะไม่ไปบางท่านเธอะก็เลยชื่นชมเรื่องถนนหนทางเรื่องตาา่าไม้ใบหญ้าเป็นต้น กล่าวต่อไปว่าต้นไม้ทั้งหลายงดงามรุ่งเรืองด้วยหนอสีแดงและใบอ่อนประหนึ่งมนดบที่รุ่งเรืองด้วยรัตนะข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสะแลว้วพระเจ้าค่าต้นไม้ทั้งหลายบนยอดมีดอกบานงามประดับด้วยดอกไม้ทั้งหลายหน้าชื่นใจดอกสะอาดสวยและมีกลิน่นหอมอรารามไปทั้งสองข้างทางข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสาหรับพระอังคีรสะแล้วพระพุทธเจ้าค่า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 ในสถานที่เงียบสงบสงัดขนาดนี้เนี่ยจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมอีกขนาดไหนเรียกว่าเห็นขุมทรัพย์ระหว่างทาง เ, เต็มไปหมดเลยเพราะอาศัยสถานที่ที่เป็นสัปายะเป็นสถานที่เพิ่มพูนสมถะวิปัสนาเพิ่มพูนที่จะเข้าพระสมาบัติอะไรเป็นต้นก็พลาสุขเนี่ ย, ยต้นไม้ทั้งหลายมีดอกงดงามใบอ่อนที่สะอาดตบแต่งแล้วเสมือนต้นหางนกยูง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 ฝูงนกมีสีสันสวยงามน่าชื่นใจมีสีเขียวเป็นต้นส่งเสียงร้องไพเราะโดยรอบด้วยความยินดีปลอบประโลมข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสำหรับพระอังคีรสาแล้วพระเจ้าค่า่นะคำ8า8ดคาถาแรกชื่นชมพวกนักพฤกษชาติพฤกษศาสตร์เนี่ยนะพวกชอบต้นไม้ใบหญ้าเถาวัลย์ดอกไม้ผลไม้เนี่ยนะนักชิม น, นักอะไรทั้งหลายเนี่ยโอยผ่านสนนเส้นนี้ดีมาก ที่นพวกนักชมนกบ้างอนะ่ะสันเซอร์เพื่อให้นักชมนกว่าเออสถานที่นี้นะมันน่าไปก็เลยเล่าถึงเรื่องฝูงนกที่มีสีสวยบางคนเนี่ยจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นไรนะขอให้มันได้ดูนกเถอะประมาณไม่รู้อะไรไปดูขนนกธรรมดาเนะี่ยดูกันได้ยังไงก็ไม่แน่ใจแปลกใจมากเลยเขาดูแล้วก็ส่องด้วยนะทั้งกม้กมก้มเงยเงยแล้วก็นิ่งเงียบเนี่ยนะแล้วก็ส่องแล้วไม่กระดิกเลยนะโอยอยู่ได้เป็นวันวันก่อนเคยขึ้นไปแถวเทือกเขาบางแห่งเนี่ยนะไปเห็นพวกนักส่องนกโอ้ยขยันจริงๆ เห็นดูนกได้ได้ดูนกที่เขาเกิดมาไม่เคยเห็นตักตัวเดียวเนี่ยเหมือนกับแหมเขาได้บรรลุอมะตะรมอะไรสักอย่างนึงอย่างงั้นแหละดูสึกก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ม, มีความสุขมากนะนิ่งอย่างไรเงียบยุงกัดมั่งแมลงกวนมั่งก็ทนเอาปัดเอาเนี่นะโอ้ทำไมเชื่อใจเ็าเลยอะรู้ทำได้ไงฟูงเนื้อนาน า, นาชนิดเกลือ่อนกราดยกหูชูชันเบิงตาวังนั้นนะก็เปิดตานะ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 ว่าเขาจะชอบเอาบัวสายเนี่ยไปไปไหว้พระกันนะบัวสายนะเป็นดอกบัวสีเขียวอ่ะนะบัวสีน้ําเงินนะ่ะก็สายบัวกันแล้วกันนะ่ะพูดยากฟูงนกจับกอบัวที่มีดอกบานร้องเจียบจับไปรอบรอบนกเหล่านั้นบันเทิงพร้อมกันกับตัวเมียข้าแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสะแล้วพระเจ้าค้า ฟูงพึ่งเก็บละอองจากดอกไม้บานส่งเสียงร้องบินเวียนว่อนกลิ่นน้ำหวานก็กำใจไปทั่วทิศข้าแต่พระมหาวีระเจ้าเป็นสมัยควรสำหรับพระอังกีรัสะแล้วต่อไปก็เป็นขโขลงช้างขุนเขาผ่านฟูงนกยูงฟูงนกเป็นอันมากภูเขาชลาลายัยลาําน้็แสดงว่าต้องผ่านสระน้ำผ่านแม่นาม้าผ่านต้นกล้วยไม้อนะะกว่าในป่าก็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 ชาวบ้านเหล่านั้นก็มีอยู่เป็นอันมากรอบๆอบณนะแผ่นดินนั่นแหลก็คือข่าวในเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยดังไปทั่วไปหมดเลยนะในช่วงนั้น น, นนะเพราะชาวบ้านเขาก็มีศรัทธาปรารถนาะจะเห็นพระพุทธเจ้าคาถาที่30สิแล้วนนะ่นะนะถ้าเราระวางทางก็มีพวกเสาโบกคารณีแล้วก็ต้นไม้ทั้งหลายก็น่าชื่นใจป่าทั้งหลายก็คลึ้มไปด้วยเมฆเขียวตระการ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 ระหว่างทางก็ยังมีฝนตก น, น้อยๆในราตรีเพื่อไม่ให้มีฝุ่นละอองดวงอาทิตย์ในท้องฟ้าก็มีแสงแดดอ่อนๆนอ่อ น, อน่าเดินทางแล้วกร็ระหว่างทางก็ยังมีช้างพลายซุกซนน่ยนะช้างตัวน้อยป่าก็เขียวสดท้องฟ้าก็ปราศจากเมฆหมอกสมัยนั้นนะถ้าไปสมัยนี้มีอะไรเออนั้นก็มีป่าเหมือนกันนะระหว่างทางก่อนที่จะถึงสมุทราจากักจากไหนจากไอ้กุสินารานเนี่ยนะที่จะข้ามไป ที่ลุมพินีเนี่ยมันจะผ่านป่าเหมือนกันป่าสักป่าอะไรเนี่ยป่าต้นไม้อะ่ะในนั้นก็มีลูกหลานหนุมานเต็มไปหมดเลยเยอะมากอ่ะนะมันใครไปบริเวณนั้นโดยมากก็จะขนกล้วยกันไปใส่รถเนี่ยนะไปโยนกล้วยระหว่างทางกันก็ลิงเยอะมากเลยลิงเยอะแต่ว่าสัตว์อื่นๆก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะสมัยนี้ก็มีอะไรมีมีต้นไม้ใบหญ้ามีต้นอะไรมัสตาร์ดนะดอกเลื้องไปหมดอ่ะนะแล้วก็มีอะไร ข้าวสาลีอ่ะนะนาะข้าวสาลีกําลังออกรวงแล้วก็ถั่วแระเนี่ยโอ้ยเต้ไปหมดเลยเยอะมากถั่วแระนนี้สมัยนี้นะแต่สมัยนั้นนะอ่ะโอ้ดีมากเลยเนะี่ยแล้วก็ในนั้นสมัยนั้นก็ยังมีพวกคนทันพิทยาทรกินนอนขับร้องเพลงในป่าที่ผู้มีตะบะวา่า้นผู้กลัวแต่หมู่กิเลส ข, ของตนเองส่องเสพแล้วอ่ะนะในหน้าเจ็ดสปเขาบอกว่าป่าที่ผู้มีตะบะภาคเพียรพยายามที่กําจัดความเศร้าหมอง ผู้กลัวต่อมูกิเลสของตนเองนะนะสมัยนั้นเนี่ยเขากลัวกิเลสในใจมากที่สุดเหมือนกันเถอะถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือกิเลสที่อยู่ในใจเพราะฉะท่านผู้มีตาบะเหล่านี้ก็อาศัยอยู่ในป่าอาศัยป่าเป็นวิหารอาศัยป่าเป็นอารามที่สําเร็จประโยชน์ท่า น, นก็ถือว่าเป็นหนทางที่น่าเดินทางมากแล้วก็ในป่านี้ก็มีผลไม้อีกมากมายนะีนะเรียกว่าวันณะให้สําเร็จผลต่างๆไม่อากูลก็แปลว่าผลไม้เนี่ย ดีเยี่ยมเหมือนกันไม่เศร้ามองแสดงว่านอนไม่ค่อยชัยเป็นตน้นเนีเป็นที่น่าเรื่อนรมยิ่งแห่งใจเป็นนิดเพิ่มพูนสมาธิจิตและปีติการพูดถึงสถานที่เงียบสงัดทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะท่านต้องการอาธิบายสันเสริญกายาวิเวกเมื่อไปอาศัยสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งกายาวิเวกอย่างนี้จิตตะวิเวกก็จะเกิดขึ้นก็เลยชื่นชมสมาธิจิตและปีติเนี่ยนะไม่ใช่ว่าท่านนักเพลินต่าไปวันวันหนึ่ง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 ชมชนเป็นอันมากอาศัยผ้าข้าวน้ําที่นั่งที่นอนของหอมดอกไม้เครื่องรูปไรสําเร็จประโยชน์อยู่กันทั้งเมืองอ่ะนะชนทั้งหลายถึงความเป็นผู้เลิศแห่งยศทุกอย่างด้วยบุญยริษมั่งขัง่งมีโภคะต่างๆเป็นอันมากอยู่กันเป็นสุขทั้งในเมืองอ่ะนะก็ถือว่าเป็นสมัยที่สมควรสําหรับพระอังกีรสะแล้วมันก็แสดงว่าระหว่างทางเนี่ยพระ อ, องค์จะได้สงเคราะห์หมู่ประชุมชนไปขนาดไหนอ่ะนะ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 ห้เนี่ยเริ่มเข้าสู่เขตกบิลพัทแล้วพระนครของพระสกุลมีนามว่ากบิลพัทประดับประดานหน้ารื่นรมดุจเทพนครเป็นพระนครมีสิริสง่างามในโลกนะครับนี่เริ่มชมเมืองของพระองค์ละพระนครก็งดงามมีหอรบหน้าชื่นใจประดับด้วยบัวบานสะพั่งหน้าเรื่นรมอย่างดีอันค่ายคูวิจิตเพราะว่าเมืองนี้เขาดูแลมาด้วยลําพังตัวเองใช่ไหมก็เลยสันเสริญในมายากปราการอันวิจิตเสาเนียด และพระลานอันงามเป็นที่ประทับขององค์สมุติเทพถนนที่น่าชื่นใจเหมือนดังเทวโลกแต่ที่เราไปครั้งที่แล้วมีแต่ป่าญาคานะแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยงามมากเหมือนเมืองสวรรค์ว่างั้นนะเหมือนเมืองกรุงเทพเลยว่างั้นนะเทวโลกก็เหมือนเมืองสวรรค์นั่นแหละเหล่าศักยราชบุตรแห่งพระองค์ก็งามรุ่งเรืองด้วยเครื่องประดับอันประเสริฐดุจเหล่าเทพพระบุตรในภพอมรินมาอุ้ยสวรรคดาวดึงนะเทพบุตรเทพธิดาอ่านะ สักยาราทั้งหลายชายหนุ่มหญิงสาวงามเหมือนนางฟ้าเหมือนเทวดาในดาวดึงมกันข้าแต่พระจอมมุนีพระเจ้าสุทธโธทนะมหาราชมีพระราชประสงค์จะสรงพบพระจอมมุนีจึงสรงบุตรอมาร พร้อมด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ถึง10ครั้งค่ะแต่พระมหาวีระเป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังกีรษะแล้วพระเจ้าค่ะสแสดงว่าพระราชบิดาประสงค์อยากจะพบมากะนะพระพุทธบิดาอยากจะพบมากทรงกองกำลังมาถึง10ชุดด้วยกันเนี่ยสแสดงว่าเป็นไม่ใช่ธรรมดามนนสงสารบางทีส่งครั้งสองครั้งไม่มากันแล้วกันตนะแต่นี่ไม่ส่งแล้วส่งอีกส่งแล้วส่งอีก10ชุดด้วยกันอะ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 คิถึงโลูกเนี่ยนะหมาลูกจากไปตั้งกี่ปีอะห้าหปีเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้มีข่าวคราวนะฟังข่าวคร า, าวอยู่ตลอดแต่ว่าแม้อยากเห็นหน้าอยากฟังเสียงลูกบ้างอนะข้าแต่พระจอมมุนีผู้มีกองปีติอัศจรย์เพราะการเห็นพระองค์คือพระพุทธเจ้านี่มีคุณสมบัติเขาบอกว่าคนที่เห็นพระพุทธเจ้าจะไม่เบื่อเหมือนยามค่ําคืนชมจันเนี่ยนะคนที่ชมจันทร์ดูดวงจันทร์แสงอ่อนๆเนี่ยนะจะไม่เบื่อไม่นาย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 ไม่ร้อนนักอาหารหาได้ไม่ยากและก็ไม่อดอยากพื้นแผ่นดินเคี้ยวขจีด้วยหญ้าพเพรกนี้เป็นกาละอันสมควรแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามกับท่านพระอุทายีว่าอุทายีเธอสรรเสริญการเดินทางทำไมเยโชอเชื่อนชมถนทนห น, นทางมาตลอดสายเลยนะ พระอุทายีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระเจ้าสุดโททนะมหาราชพระชนกของพระองค์มีมีพระราชประสงค์จัพบพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงทมการสงเคราะห์พระประโญาต์เถิดพระพุทธเจ้าค่าภาษาสาะก็บอกว่าสาธุดีแล้วอุทายี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 พระศาสดาแวดล้อมด้วยภิกษุขีนาศอบรวมทั้งหมด2 0,000 รูปตอนนั้นเนี่ยอตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงธรรมหรือแสดงโอวาทปาติโมกวันเพนเดือนสมเนี่ยมีภาพฐานเท่าไหร่มีภาพฐานพันสองร้อรูปที่ที่เอกพิคุนะจริงๆมีภาพฐานมากกว่านั้นแต่ไม่ได้รวมทั้งหมดแต่ว่าหลังจากนั้นไปหนึ่งเดือนเนี่ยนะมีภาพฐานขึ้นสอง0 0ื่รูปทันที มี 20,000 รูปขึ้นมาเลยนะเพราะแสดงว่าส่งมาเป็นชุดเน่ยนะนะสาสวันเป็นชุดหนึ่งสสี่วันก็บรรลุแล้วก็ประชาชนแห่แห่นเข้ามาบวชมันภายใน1เดือนเนี่ยมีพระอาหารเพิ่มเป็น2 0,000 กว่ารูป 20,000 กว่ารูปแต่ว่าที่ติดตามพระพุทธเจ้าตอนนั้นไปเนี่ยส0งหมรูปแต่ว่ามีเกินกว่า2 0,000 รูปถามว่าใน 20,000 รูปเอามาจากไหนก็บอกว่าชาวอังคากับชาวมครเนี่ยนะห 0,000 รูปพราะเป็นแคว้นใหญ่มากเลยนะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น แล้วก็กุลบุตรชาวกรุงกบิลพัดอีกหมื่นรูปที่ที่เป็นทหารที่พระเจ้าสุโธทนะส่งไปเนี่ยนะเสด็จออกจากกรุงราชครึกเดินทางวัลยโยต์วัลยโยต์สเดือนก็เสด็จถึงกรุงกบิลพัดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงแล้วฝ่ายเจ้าสกุรยราชทั้งหลายก็ช่วยกันเลือกสถานที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยหมายพระไทยจักพบพระญาติผู้ประเสริฐสุดของตน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 ณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระขีนาศพ ส, สองหมื่นรูปแวดล้อมแล้วประทับนั่งเหนือพุทธาฏอย่างดีที่เขาจัดเอาไว้ฝ่ายพวกเจ้าสักยะนี้เป็นชาติมีมานะเนี่ยนะที่เรียกว่ายิงในในชาติตระกูลมากกระด้างเพราะมานะต่างก็คิดว่าสิทธัตถกุมาเนี่ยหนุ่มกว่าเรากนิฐาเป็นหลานเราขออภัยกนิฐาแปลว่าน้องเราเนี่ยกนิถาพระกะนิฐาก็คือน้องอะนะ เป็นบุตรของเราภาคินัยยะเป็นหลานของเราแล้วก็เป็นก็มีภาคินัยยะก็นัดดาก็หลานทั้งนั้นเน่ยรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนเราทั้งนั้นแหละว่าน้ น, น, าา น, น, ก, นก็เลยกล่าวกับราชกุมารที่หนมหนมว่าพวกเจ้าจงไหวเราจกนั่งอยู่ข้างหลังข้างหลังพวกเจ้าเขาก็จะแบ่งอย่างนี้เลยว่าพวกไหนอายุต่ํากว่า35ไปนั่งข้างหน้าให้หมดพวกที่อายุ 36-37 ขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าเปย์รุ่นพี่ใช่ไหมพะกนี้พวกรุ่นน้องต้องไปไหว้พวกพี่ไป มันพวกนี้ก็มีมา n a มากก็ระดับคิดว่าระดับรุ่นพี่อายุมากกว่าสามสิบไปแล้วเนี่ยไม่ไหวพระพุทธเจ้าเลยแต่ว้นะ่าพวกอายุต่ำกว่านั้นเมื่อเจ้าสกยะเหล่านั้นนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสกยะเหล่านั้นก็ดํมฤติว่าพระญาตเหล่านี้ไม่ยอมไหวเราเพราะตนเป็นคนแก่เปล่าแก่ก็จริงแต่ว่าแก่ก็ไม่ได้มีสาระอะไรอยู่ในใจหรอก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 จำเราจะเนระมิตรที่จงกรมแล้วแล้วด้วยล้วนด้วยรัตนะกว้างขนาดหมื่นจักรวาลในอากาศเมื่อจงกรมณนะที่จงกรมนั้นตรวจดูอัธยาศัยของมหาชนแล้วก็จะแสดงคำด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็ปริวิตกปริวิตกก็คือคิดขึ้นอย่างนี้ขึ้นพระสังคีติกาจารย์ก็เลยกล่าวเป็นบทประพันธ์ว่าเพราะพระญาตเหล่านั้นพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นยอดคนเนี่ยเป็นเช่นไรกําลังริษและกําลังปัญญาของพระองค์เป็นเช่นไรกําลังของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน like. ์เพื้อก <Twilight> <laughs> <icated> ูลแก่โลกเป็นเช่นไรเพราะพระญาติเหล่านั้นพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ไม่รู้ดอกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นยอดคนเป็นเช่นนี้กําลังริษและกําลังปัญญาเป็นเช่นนี้กําลังของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่โลกเป็นเช่นนี้เอาเถิด